ภิกษุอยู่ปริวาทถูกสงลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาทถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปปริว า, งงขรรา ท, ท, าทวาของภิกษุผู้ถูกสงลงอุคเขปนิยกรรมนั้นใช้ไม่ได้